เกิดความอยากรู้ขึ้นมาว่าคารวะในสมัยพุทธกาลมีที่บรรลุธรรมกันมากน้อยเพียงใดโดยจำได้ เ, ล, เล่าว่าเคยอ่านผ่านตาเห็นมีอุบาสกอุบาสิกาที่ยังบริโภคการรมแต่สามารถปฏิบัติภาวนาได้ถึงระดับอนาคามีมากมายฉันอยากอ่านสูตรนั้นอีกจึงค้นหาด้วยคำสำคัญคืออุบาสกและบริโภคกามก็พบกับมหาวจชโคตสูตร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 พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงระบุจำแนกแยกแยะว่าตรงไหนคือสมถะตรงไหนคือวิปัสนาแต่พระองค์ก็ทรงแยกหน้าที่ของสมถะและวิปัสนาไว้ในปฐมปันนาก็คือดูกนภิกษุทั้งหลายธรรมะสองอย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชาธรรมะสองอย่างเป็นไฉนะคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่ง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 อะไรเป็นวิปัสนาเริ่มต้นขึ้นมานั้นเพื่อให้มีความรู้ชัดทางสมถะหมายถึงการกำหนดรู้เท่าที่จะสามารถรู้และรู้ให้ต่อเนื่องในอารมณ์เดียวด้วยความจงใจถ้าฟุ้งซ่านบ้างก็ช่างไม่ใช่ไปคุมแจจนเครียดสำคัญคือไม่ลืมหวนกลับมาพยายามระลึกรู้อารมณ์เดิมหลังจากที่พลัดลงไปบ้างก็แล้วกัน